เราก็ยังมีเวลาทําอะไรหลายอย่างมีเวลากินข้าวไหมถ้ามีเวลากินข้าวนั่นแหละภาวนาได้ละภาวนาด้วยการเจริญสตินะเราสามารถที่จะเจริญสติได้ในทุกอิเลียบทในทุกกิจกรรมทุกเวลาหรือก็ว่าได้ยกเว้นเวลานอนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าทําอะไรเนี่ยเราก็ภาวนาได้โดยทําให้สิ่งที่เราทำเนะีนะ่ยมันเป็นการเจริญสติ หมายความว่าเวลาทาอะไรเนี่ยใจก็อยู่กันเนื้อกับตัวหรือพูดง่ายๆคือตัวอยู่ในใจอยู่นั่นเวลาทำอะไรไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าอาบน้ำถูฟันเราก็ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นทำทีละอย่างนะอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันทำหลายอย่างพร้อมกันก็เช่นถูฟันไปอาบน้ำไปก็คิดว่าจะทำอะไรต่อไปข้างหน้าจะทำอะไรให้ลูกกินนะหรือว่า จะไปประชุมเช้านี้เนี่ยจะเอาประเด็นอะไรมาพูดเนีเรียว่าทำสองอย่างนในเวลาเดียวกันถ้าต้องการฝึกจิตฝึกใจเราเนี่ยนะการเจริญสติเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ดีมากแล้วเราก็ทําได้นะทันทีที่เราตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนก็อย่าพึ่งไปนึกอะไรอย่าพึ่งไปคิดอะไรใจอยู่กับการเก็บที่นอนไม่ใช่เก็บไปใจก็คิดแล้ะเดี๋ยวจะไปเปิดโทรศัพท์มือถือนะ เดี๋ยวจะส่งข้อความไปนะถึงเพื่อนเดี๋ยวจะทักทายด้วยสติกเกอร์อะไรนะอรุณสวัสดิ์หรือไฮหรือ good morning นะี่ไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนะี่ยพอเราตื่นเช้ามาอย่างแรกที่เรานึกถึงก็คือโทรศัพท์มือถือข้อความทาง l ล n e ทาง Facebook นะวางเอาไว้ก่อนนะใจก็อยู่กับสิ่งที่กํากำลังทำเฉพาะหน้าเรามีเวลาอาบน้ำเรามีเวลาถูฟันเราก็ต้องมีเวลาภาวนา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 พอตักอาหารเสร็จมานั่งน ะ, ะเราก็มีสติอยู่กับการตามลมหายใจหรือการคลึงนิ้วมือนะ น, ะนี่ภาวนาละไม่ต้องหุดหงิดนะว่าคอยนานอย่าปล่อยให้การคอยเนี้ยมันมาสร้างความมุง่งอยู่ให้กับจิตใจคนเดยนี้หุนหงิดได้ง่ายนะเพราะว่าต้องคอยหลายอย่างนะคอยนั่นคอยนี่คอยเพื่อน นะเพื่อไม่มาตามนักสักทีหรือว่าคอยไฟแดงให้มันเปลนเป็นไฟเขียวคนสมัยนี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยใจร้อนทาอะไรเร็วๆการคอยกลเป็นเรื่องยาวพอคอยแล้วก็ตามกลายเป็นความหมุดหิดแทนที่จะเสียเวลาอย่างเดียวนะก็เสียอารมณนะ์ด้วยโดยเพราะรถติดเนี่ยนะหลายคนเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้เสียแค่อย่างเดียวคือเสียเวลากับปล่อยให้เสียอารมณนะ์เสียความสุข เสสติพบ่งง่ายๆไม่ต้องคอยนะอย่าไปถือเป็นการคอยแต่ถือว่าขนาดที่เราร อ, อพระหรือว่ารอเพื่อนมาพร้อมกันนะเพื่อที่จะได้กินพร้อมๆกันเนี่ยเราก็เจริญสติไปด้วยและเมื่อถึงเวลาฉันเวลากินนะเราก็มีสติรู้ตัวอยู่กับการกินสังเกตไ้ยเวลาใจ เวลากินี่ใจมันคิดโนนคิดนี่ยิ่งอาหารอร่อยใจมันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่เลยนะดึงจิตกลับมานะรับรู้อยู่อาการกินอร่อยก็รู้ว่าอร่อยนะไม่ใช่เคริ้มหลงไหลเพลินไปกับมันนะถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าเพลินในสุขละอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็เป็นความสุดตองอย่างหนึง่งพอเพลินในสุขนะเวลาเจอทุกข์มันก็จมไปในทุกข์ได้ง่ายเจออาหารไม่ถูกใจนะก็บ่นโวยวายนะ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 บางคนเนี่ยระหว่างที่กินเนี่ยนะใจก็นึกถึงงานแล้วอยู่วัดอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่พออยู่ที่บ้านเนี่ยหรืออยู่ที่ทํางานใจมันคิดถึงเรื่องงานพอคิดถึงเรื่องงานก็จะรีบเคี้ยวเคี้ยวเคียวเคียวแลนะไม่มีสติที่จริงการเคี้ยวข้าให้ช้าลงเนี่ยนะมันก็เป็นภาวนาได้นะแล้วก็มีอันที่สงมากเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งน ะ, ะเป็นนักธุรกิจเป็นผู้หญิงเก่งเนี่ยทำอะไรต่ออะไรมากมายจนเครียด ความสัมพันธ์กับลูกความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องก็ไม่ค่อยดีเพราะความเครียดนะเพราะความใจร้อนจนกระทั่งเกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาแล้ววันหนึ่งก็ตัดสินใจไปเข้าคอสของเพื่อนตำ ม, มานะชื่อสุรเชษวชิพิทักษ์เนี่ยก็ทำาหาวิทยาลัยชีวิตนะไม่ทราบตอนนี้มีอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีคอสหนึ่งนะให้ทากิจกรรมเพื่อมารู้จักตัวเองแล้วก็ เกิดความตั้งใจมุ่งมาที่จะแก้ไขจุดอ่อนจุดบกพร่องตัวบกพร่องอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้แกเห็นก็คือว่าแกเป็นคนที่กินอะไรกินเร็วมากนะโดยเพราะอาหารเชา้าอาหารกลางวันอาหารเย็นจะเคี้ยวเร็วมากเลยเพราะว่ามีงานเยอะนะเวลากินอาหารก็นึกถึงงานที่รออยู่เดี๋ยวต้องไปประชุมนะเดี๋ยวต้องไปสั่งงานลูกน้องก็รีบกินรีบเคี้ยว ตอนนี้พอแกเห็นจุดอ่อนตรงนี้ที่จริงจุดอ่อนมีเยอะนะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยให้เอาที่มันพอจะแก้ไขได้แล้วก็ทําโครงงา น, นแก้ไขนิสัยนี้แกก็เลยตกลงว่าเนี่ยสมเดือนนี้แกทําโครงงานชื่อว่าเคียวข้าวให้ชาลงแค่นี้แหละนะแล้วก็ทุกอาทิตย์นี่ก็ต้องไปรายงานความคืบหน้ามีการจดบันทึกด้วยนะ ว, ว่ามีความคืบหน้าอย่างอะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรอุปสรรคคืออะไรไปรายงานหน้าชั้นเพราะฉะนี้ คิดอย่างเดียวไม่พอตั้งใจงอย่างเดียวไม่พอต้องทาต่อเนื่องแล้วแกก็พวกความเปลี่ยนแปลงนะคือพอเคี่ยวให้ช้าลงเนี่ยนะอย่างแรกที่รู้สึกคือข้าวนี่มีรสอร่อยนะมีรสหวานแต่ก่อนเคี้ยวนี่ไม่รู้จักรสข้าวเลยนะนเด็กๆเนี่ยรู้จักรสข้าวนะว่ามันมีรสยังไงเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยรับรู้รสของข้าวแนละ้วเพราะเราเคี้ยวเร็วและพอพอ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 แต่ก่อนหน้านั้นมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าพอใช้เวลาอยู่บนโต๊ะอาหารนะให้นานกว่าเดิมแต่ก่อนหนาทีก็ไปแล้วกินท่าเสร็จอยู่บนโต๊ะอาหารแค่หนาทีก็ไปแต่พอเคล้าคลายช้าลงเนี่ยก็อยู่บนโต๊ะนานขึ้นจาก5นาทีเป็น10นาทีก็เริ่มสนใจคนที่กินอาหารร่วมโต๊ะก็คือลูกก็เริ่มมีการพูดคุยทักทายลูกแต่ก่อนไม่ทักทายเลยนะร่งเร่งกินแล้วก็ไป ไม่สนใจด้วยว่าใครนั่งโตะด้วยแต่พอนี้ตอนนี้ก็เริ่มนะเริ่มทักทายลูกชายนะเริ่มโอภาปาศสทำามี้ทุกๆวันเนี่ยความสัมพันธ์กับลูกก็ดีขึ้นและต่อไปเนี่ยนะพอเคี้ยวขายช้าลงนะเวลาใจมันจะคิดถึงเรื่องงานก็วางใจคิดถึงเรื่องงานก็วางนะก็เริ่มใจเย็นขึ้นแต่ก่อนเป็นคนที่ใจร้อนชอบต่อว่าลูกน้องสั่งลูกเดียวเลยนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะก็เริ่ม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 งานเบาลงเครียดน้อยลงและมีเวลามากขึ้นก็เลยนึกถึงพ่อนะนึกถึงแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะพ่อแม่ก็เคยถามว่าเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมสักทีเธอก็ชอดตอบอว่าไม่มีเวลาแต่ครั้นี้มีเวลาแล้วเนี่ยนะมีเวลาก็เลยไปเยี่ยมพ่อแม่เสร็จแล้วก็พาพ่อแม่ไปเที่ยวมีเวลาพาท่านไปเที่ยวบ้างลแล้วก็ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นกลายเป็นว่าความสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็ดีขึ้นนะพอ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 ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการที่เคี้ยวข้าวให้ช้าลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูมันมันเล็กน้อยนะแต่ว่าอย่าประมาทสิ่งที่เล็กน้อยเนะี่ยพูดไปแล้วเมื่อเช้าตอนหลังทำวัดว่าความดีแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆทําทุกวันนะมันก่อให้เกิดความเปลีนนะ่ยนแปลงที่มากมายอย่างที่เรานึกไม่ถึงเพราะว่าพอเราทําความดีเนี่ยถ้าเราทําทุกวันเนี่ยนิสัยใหม่มันจะเกิดขึ้นนะนิสัยเก่ามันก็จะค่อยๆสลายหายไป ละนิสัยใหม่เนี่ยหนึ่งยามก็นำไปสู่นิสัยใหม่อันที่สองนิสัยใหม่อันที่สามก็เกิดขึ้นนิสัยใหม่อันที่สี่ก็ตามมาเนะียเรียกมาเป็นคำวุ่นเลยนะอันนี้มันเป็นมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะที่เราทําเป็นประจำนะจนกลายเป็นนิสัยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะใครจะอธิษฐานพรรษาเนี่ยทำสิ่งดีๆตลอดสามเดือนก็ลองทำพวกนี้นะไม่ต้อง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 รู้ทันกิเลสแล้วเราก็ใจเรื่องภาวนานะเราก็สามารถที่จะภาวนาได้ในทุกที่ทุกเวลาเราจะมีเวลาภาวนาได้มากขึ้นแม้จะไม่ได้มาวัดหรือมาเข้าคอร์สเลยก็าตาม